ช่วงนี้อาจารย์ของอาต ม, มาก็ได้กลับมาเยี่ยมเยียนอีกครั้งหนึ่งทุกปีนะพอถึงประมาณเนี่ยกันยาตุลาก็จะเป็นเวลาที่อาจารย์ของอาต ม, มาจะมาเยี่ยมเยียนไม่ใช่คนนะแต่ว่าเป็น นกตัวน้นอยๆ น, นะชื่อนกรนนกระเต็นนกกระเต็นนี่ช่วงนี้ก็มาแล้วจะมาอยู่แถวสระน้ำนะที่ว่าเป็นอาจารย์ก็เพราะว่าเขาเป็นครูที่ดีมากนะ ท้องวันก็จะหากินโดยเกาะอยู่ตรงตอไม้กลางสะหรือบางทีก็เป็นยอดก้านบัวก้านบัวที่มันไม่มีใบแล้วเนี่ยก็จะเกาะอยู่อย่างนั้นแหละนิ่งสงบ ไม่รู้จักคำว่าเงาไม่รู้จักคำว่าเบื่อแล้วก็ไม่เรียกร้องแสวงหาเพื่อนอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เดือดอร้อนใจอะไรบางช่วงแดดก็ร้อนแต่เขาก็เกาะอยู่นะบนตอมาอย่างนิ่ง ไม่รู้สึกอนาถร้อนใจเลยพอเห็นแล้วก็เออมันก็สอนใจเราได้ดีนะตัวเองบางทีทำอย่างนั้นก็ไม่ได้คนเราส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอยู่คนเดียวก็เหงาเจออากาศร้อนก็บน แต่ว่าก็เต็นน้อยนี่อยู่นิ่งสอนใจเราได้ดีมากแล้วก็มีสมาธิด้วยนะเห็นนิ่งๆอย่างนี้ไม่ได้หลับนะมีสมาธิเวลาปลานี่ผอมมาจะมาเหนือผิวน้ำนี่อามาจะมาตรงผิวน้ำนี่ก็เต็นเห็นก็ พุ่งโฉบแล้วก็คาบออกปานนั้นพอคาบขึ้นมาก็มากลับมาที่ตอไม้ใหม่จะได้ปลาใหญ่ปลาเล็กก็พอใจไม่มีไม่มีบ่นนะเวลาจับปลาไดา้ก็ดีใจนะ จะเป็นปลาเล็กปลาน้อยปลาซิลก็ดีใจไม่มีบน่นว่าโอ้ทำไมปลาตัวเล็กจังกินเสร็จเขาก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมอยู่ในอาการเดิมก็คือนิ่งสงบล้วคนเราเนี่ยถ้าทำได้แบบนี้นี่ ชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะแล้วก็จะมีความสุขมากเพราะว่าความทุกข์ของคนเราส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่นิ่งๆไม่เป็นถ้าอยู่คนเดียวเมื่อไหร่อย่ยว่าแต่อยู่กลางสะเลยแม้แต่อยู่ในปราสาทหรืออยู่ในโรงแรมห้าดาวมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม แต่ว่าไม่มีโทรทัศน์ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เนต็นเ ต, น ต, น ต, นตก็จะรู้สึกกระสับกระส่ายขึ้นมาทันทีนะอยู่วันแรกยังพอไหวพอวันที่สองนี้ก็พลาดแล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกไว้เมื่อวานะคือทนอยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวไม่เป็นนะก็ต้อง ดิดน้นรนออกไปคลุกคลีกับผู้คนแต่บางทีไปคลุกเคลียผู้คนก็ยังไม่ใช่ว่าจะมีความสุขนะสมัยนี้ผู้คนเนี่ยรู้สึกเหงาแม้อยู่ท่ามกลางคนหมู่มากอยู่บ้านก็ยังเหงาอยู่ที่ทํางานก็ยังเหงาน เป็นโรคเรื่องเป็นโรคประจำสัตวรว์เลยนะความเหงาออันนี้ก็พอมาเทียบกับกระเตนน้อยแล้วนี่มันน่าอายนะคนเราอยู่คนเดียวไม่เป็นอยู่นิ่งๆไม่ได้ไอการที่อยู่นิ่งได้นี่มันเป็นเครื่องหมายของความสุขนะ สมัยพุทธกาลเนี่ยพวกปริพาโชอพวกนาตนิครนเคยพูดว่าเนี่ยพระเจ้าพิพิสารเนี่ยมีความสุขกับพระพุทธเจ้าเสีอีกพูะเจ้าก็ <c oughs> ก็ถามในทํานองแย้งว่าท่านคิดว่าพระเจ้าพิพิสารเนี่ยสามารถจะอยู่นิ่ง เวันได้ไหมไม่ได้นะเอาหกวันล่ะก็ไม่ได้ห้าวันสามวันสองวันหนึ่งวันก็นี่ครูน้าตบุตก็ยอมแล้วว่ายากนะแต่พระเจ้าแต่ ว, ว่าเนี่ยเราทําได้อย่ยว่าแต่อยู่นิ่งๆหนึ่งวันคือไม่พูดไม่คุยกับใครเลยแม้จะอยู่เจ็ดวันก็ยังอยู่ได้แล้อย่างนี้จะแสดงว่า พระเจ้าผีวิสานี่มีความสุขกับเราหรือนะอันนี้ครุนัาถบุตรก็ยอมแล้วเออใช่นะพระพุทธเจ้ามีความสุขกว่าพระเจ้าผีพิสารตอนตอที่พระเจ้าผีพิสารมีทุกอย่างมีทรัพย์มียศมีอำนาจมีบริษัทบริวารแต่ว่าก็ไม่มีความสุขเท่ากับพระพุทธเจ้าสิ่งที่จะวัดความสุขได้อย่างเนื้็คือความนิ่งนั่นเองนะเพราะว่าอาการที่อาการที่ วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันสะท้อนถึงความพล่านภายในใจและลองดอนที่เราคนเราทุกขกันทุกวันนีเพราะว่าอยู่นิ่งไม่เป็นอยู่บ้านไม่มีความสุขต้องไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ต้องไปกินเหล้าเสร็จแล้วก็ติดโรค ก, กลับมาหรือว่าพอเมาก็ขับรถชนคนตายหรือตัวเองก็เป็นพิ ก, การ อยากจะหาความสุขต้องออกไปข้างนอกไม่มีเงินทำไงก็ต้องขวนขวายหาเงินหาทองต้องได้งานที่ดีต้องได้มีเงินเดอเยอะๆยอมเหนือ่อยยอมยากเพื่อที่จะได้มีสิ่งเสพเพื่อจะมาปนเปิดความสุขเพราะว่าอยู่นิ่งๆไม่เป็นอยู่คนเดียวไม่ได้บางทีไม่มีปัญญาหาเงินมันก็โกงเงาถูกจับได้ก็ติดคุกติดตารางถึงถูกจบไม่ได้ก็อยู่ร้อนนอนทุกข์ ถ้ามีคนนักปราชญ์ชาฝรั่งก็บอกว่าปัญหาของมนุษย์เนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไม่สามารถจะอยู่คนเดียวอย่างนิ่งๆได้ไม่สามารถจะอยู่คนเดียวในห้องที่สงบได้แต่ว่าไอ้แบบนี้ไม่เป็นปัญหาเลยสำหรับนกกระเตน นกกระต่นี้เขานิ่งเขาสงบได้แล้วก็ไม่ต้องมีอะไรมากนะก็มีแค่ปลาที่เลี้ยงชีวิตเขาก็มีความสุขแล้วเขาก็ไม่ยึดติดสถานที่ซะด้วยถึงเวลาเขาก็ไปเขาก็ย้ายไปที่อื่นไม่มีความมังหาว่านี่เป็นที่ของกูของกูว่ต้องขยายอาณาเขตสร้างอาณาจักรไม่ถึงเวลาก็ไป ในป่าเนี่ยมีครูที่สอนใจเราได้เยอะแยะใบบัวนี่ก็สอนใจเราได้เขาไม่เคยปล่อยให้น้ำนี่มาทำให้แปดเปื้อนเลยฝนตกมาไงเขาก็น้ำก็ไหลลื่นไหลลงสระหมดนะไม่รู้จักเปียบใบบัวเขาก็รู้วิธีที่จะ ถ่ายเทน้ําออกไปน้ําเยอะแค่ไหนเขาก็ถ่ายเทออกไปได้หมดนะเวลาเห็นน้ําหลายๆจุดมามารวมกันตรงกลางกลางใบบัวนะใบบัวก็จะเริ่มเอนนะเริ่มเอนเอนเทอร์นิตทอร์นิตเอนโอนจนกระทั่งน้นํานี่ที่อยู่ตรงตรงครัวก็ค่อย ไหลออกหมดนะใบบัวก็สบายรู้จักถ่ายเทสิ่งที่เป็นภาระออกไม่มาแบกไม่มายึดเอาไว้แต่ใจเราเป็นยังไงใจเรานี่มันเก็บสะสมสารพัดเลยแบกไปมากมายกายกองไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางมีคนมาชวนให้ ให้ปล่อยวางให้เทให้ถ่ายออกไปก็ไม่ยอมแต่แล้วก็ทุกเองนี่ก็เป็นครูที่สอนเราได้โดยเพพาะสำหรับนักปฏิบัตินี่ธรรมชาติสอนเราได้มากมาย สอนเราในเรื่องของแม้กระทั่งความเพียรความเพียรพยายามไม่ย่อท้อธรรมชาตินี่จะมีลักษณะนี้มากเคยได้ฟังเรื่องราวของชีวิตปลาไหลปลาไหลนี่ทั้งนั่งที่มัน าหาได้ง่ายจับได้ง่ายนะแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเคยเห็นสถานที่ที่มันวางไข่หรือเพาะพันธุ์ปลาหลนี่เพาะพันธุ์เรือว่าแทบไม่ได้เลยนะแล้วก็ไม่เคยมีใครเห็นมันาวางไข่ทำไมหรือไม่มีใครเห็นเพราะว่าจริงๆแล้วมันไปวางไข่ในทะเลในมหาสมุทร มันเป็นสัตว์ดูเหมือนเป็นสัตว์น้ําจืดนะแต่เวลามันไปล้ำไปผสมพันธ์ไปวางไข่นี่โ น, น่ในทะเลตัวอ่อนก็เกิดขึ้นที่ในทะเลแล้วตัวอ่อนที่ทําไงตัวอ่อ น, นี้ก็ว่ายว่ายว่ายมาจนถึงปากน้ําแล้วก็ว่ายต่อไปไว่ายต่อไปจนกระทั่งเข้าสู่แม่น้ําแล้วก็ลําคลองแล้วก็ลําทาน แล้วคนเรานีจ่จะเห็นตัวอ่อนตามธรรมชาตินี่ยากมากยกเว้นว่าถูกเข้าขูดคนจับมาเลี้ยงอย่างพวกทางญี่ปุ่นทางเกาหลีนี่เขาก็เอาตัวอ่อนเนี่ยเอามาเลี้ยงเพื่อเป็นตัวใหญ่แล้วก็ทําเป็นปลาไหลดิบหรือว่าอาหารเขาโ้มาดูปลาไหลเข้ามาแล้วมันเพียนพยายามมากนะตัวอ่อนนี่ในทะเลนี่มันสาว่วย วาวมาจนถึงป่าแม่น้ำแล้วก็วหายระหว่างนั้นก็เขาค่อยโตขึ้นทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งเป็นปลาหลที่เราเห็นอยู่นะตามลำห้วยลำทานพวกนี้มาไกลทีเดียวนะถ้าพูดถึงระยะทางที่เขาเดินทางนี่โอมันเป็นร้อยร้อยกิโลเมตรตัวเล็กนิดเดียว พอตัวใหญ่เต็มที่แล้วก็กลับคืนสู่ทะเ ล, ลก็ไปวางไข่กันกลางทะเลไม่มีใครที่สามารถจะออกมันมาผสมพันธุ์แล้วก็เพาะเลี้ยงได้พอน้ำตอนนี้ปลาไหลก็จะเริ่มเริ่มขาดแคลนแล้วเพราะว่าเอาตัวอ่อนแย่งกันเอาตัวอ่อนมาเลี้ยงมาเพาะเลี้ยงเดี๋ยวนี้ปลาหลราคาแพงยิ่งต้อง ไปเก็บออกมาปลาไหลายตามธรรมชาติก็จะเหลือน้อยลงแต่นี่ก็เห็นได้ว่าโอ้คนเรานี่ถ้ามีความเพียรอย่างพวกตัวอ่อนปลาหลนี่โอ้อุปรสรรคทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะเราได้นี่ก็เป็นครูเหมือนกันที่ทาเรารจับมองนะก็ทาให้เราเกิดความเพียร แล้วก็จะรู้สึกเลยว่าโอ้ยที่เราทำท่าอ่อนแอเวลาปฏิบัติเวลาเจริญสติเพียงแค่วันเดียวก็ตุปัดตุเปลแล้วนี่มันมันน่าอายนะนเทียบกับสัตว์พวกนี้ไม่ได้เลยนะพวกนี้ก็ทนมากนะมีความเพียรอย่างยิ่งแล้วก็เตรียมรับพร